ที่เราเริ่มมาสนใจพุทธศาสนาใหม่ๆนะที่ยังจําได้คำสอนแรกๆที่เราได้อ่านได้พบก็คือเรื่องของความทุกข์นะและแม้ว่าเราศึกษาต่อมาเรื่อยๆนะคำสอนเรื่องทุขนะกข์เนี่ยก็ก็จะเห็นหรือได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆ นั่นคือว่าคนเราเกิดมาแล้วก็แในสุดก็ต้องแย่ต้องเจ็บแล้วก็หนีความตายไม่พ้นแล้วก็ต้องเจอกับความพัดพลาดสูญเสียอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วลคําสอนนะบางข้อนี่ไผู้ใช้ขนาะที่เรียกว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์นะกับความพ้นทุกข์ ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์และความดับทุกข์พอศึกษาได้ยินได้ฟังไปเรื่อยๆเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะคิดไปว่าเนี่ยพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้มองโลกในแง่ร้ายชวนให้หดหู่อ่อเหี่ยวที่จริงถ้าเราจะลองสังเกตนะคำสอนเหล่านี้เนี่ย ส่วนใหญ่นี่ก็มุ่งไปที่คนที่ยังมีชีวิตที่ราบรื่นหรือว่ามีชีวิตที่ผาสุขยังหนุ่มยังแน่นยังมีกําลังวังชามีอาชีพการงานมีชีวิตที่มั่นคงมีครอบครัวมีคนรัก หรือผู้ยานก็คือคนที่ยังมีชีวิตตามปกตินะอันนี้ท่านสอนล่มทุกข์เพื่ออะไรนะก็เพื่อไม่ให้ลุ่มหลงในความสุขไม่ว่าความสุขนั้นจะเกิดจากการมีสุขภาพดีา ก, การมีกำลังวังชาการกินอิ่มนอนอุ่นหรือว่าการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ ชีวิตมุ่งมา่ปรารถนาแล้วธรรมดาคนเราเนี่ยพออยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็ง่ายที่จะเพลินในความสุขนะยิ่งได้ประสบความสำเร็จนะหรือว่ามีเงินมีทองนะมีคนรักแวดล้อมเนี่ยก็ยิ่งเพลินเข้าไปใหญ่ แต่คำสอนเรื่องทุกเนี่ยทำให้ไม่เพลินในความสุขมากเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยพอเจอความพัดพ ล, ล, ลาดสูญเสียพอเจอความผันผวนแปรปรวนซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยก็จะทุกข์อย่างยิ่งเลยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเวลาป่วยนะ ว่าทุกใจด้วยมันไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะเวลาถูกโกงหรือเวลามันสลายหายไปแต่ว่ายังเสียใจเรียกว่าบางทีถึงกับค่าตัวตายแล้วก็มีอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไปเพิดเพลินนะ ลหลงไหลในความสุขในสิ่งที่มีหรือลหลงไหลเพลิดเพลินในโลกธรรมฝายบวกได้ลาบได้ยศได้สุขได้สระเสริญแล้วก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่สมหวังนถ้าไปลหลงไหลเพลิดเพลินเหล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจหรือตระหนักว่า สิ่งเราเนี่ยเป็นทุกข์แลถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็จะเป็นเราก็จะพลอยทุกข์ไปด้วยท่านสอนว่านเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของร้อนนะไม่ว่ารูปทําหรือนามทรรเมื่อมันเป็นของร้อนไปจับไปยึดมัน เราก็ร้อนตามร้อนในทีนี้เนี่ยมาถึงความทุกข์นะซ่งอะ้รที่เป็นของหนักนี่ท่านสอนเอาไว้จะไปแบกมันเราก็จะรู้สึกหนักอึง้งรู้สึกเป็นทุกข์ตามไปด้วยจะไปหลงไหลเพลิดเพลินในชีวิตพอความตายมาประชิดตัวก็ทุรนทุราย คำสอนเหล่านี้เนี่ยเตือนเพื่อไม่ให้ไปลหลงไหลเพิ่มกับความสุขที่มีอยู่ตอนนี้เพราะมันไม่เที่ยงและเพราะสิ่งที่ลหลงไหลเพลิดเพลินนั้นมันเป็นทุกข์นะคือมันเสื่อมมันสลายมันหายไปในที่สุดถ้าไปยึดมันไปเพลิดเพลินในมันมันก็ทุกข์ แต่พอเวลาหลงนะจมอยู่ในความทุกข์นะท่านก็สอนอีกแง่หนนะึ่งนะท่านก็สอนว่าเนี่ยในทุกมันก็มีสุขนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบไม่ว่าทุกข์เพราะอะไรก็ตามทุกข์เพราะสูญเสียทรัพย์ทุกข์เพราะสูญเสียคนรักทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วย มันยังมีสุขนะที่สามารถจะพบได้ท่ามกลางความทุกข์นะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้ท่านจะพูดถึงโทษของวัฏสงสารนะมีมากมายนะที่เราควรจะต้องกลัววัตสงสารกลัวนะการเวียนเกิดเวียนตายแต่ขณะดยกันท่านก็สอนนะว่า จะพบนิพพานได้ก็ในวะตาสงสารนี่แหละพบนิพพานได้ในวะตาสงสารอย่างที่บางท่านเรียกว่าเนี่ยครูบาาจาร์บางท่านบอกว่าเนี่ยในในเตาหลอมที่ร้อนเนี่ยมันมีความเย็นอยู่อันนี้ท่านสอนเพื่ออะไรนะเพื่อให้เอาไม่จมอยู่ในความทุกข์มากจะมอญย่างเนี่ยคือทาให มีความหวังเวลาทุก์เนี่ยน ะ, ะก็ให้รู้จักมองให้ดีนะก็สามารถจะพบสุขได้อันนี้พระุทธเจ้าก็เลยนะสอนให้รู้จักหาประโยชน์จากอนิจฐานลมหาประโยชน์จากอนิจฐานลมอนิจฐารมณ์นนมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งทําให้คนเราเนี่ยมักจะเกิดทุกข์ตามมาเจอรูปเจอเสียงที่ไม่น่าพอใจก็จิตใจก็เกิดความรุ่มร้อนเกิดความขับแค้นอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยความโศกความร่มรรำไรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแต่ว่า มันก็มีประโยชน์ที่เราต้องรู้จักหามันอยากหาประโยชน์จากอนิจธารมในด้านหนึ่งท่านก็สอนให้เห็นโทษของอิทธารมก็คือสิ่งตรงข้ามกับนิถารมรูปลสกินเสียงที่น่าพอใจอย่าไปเพิดเิยลงไหลกลับมันมากรวมทั้งเหตุการณ์ที่น่ายินดีด้วยนั่นคืออิ อารมณการทำาฟบวกได้ลาบได้ยศได้สุขได้สารเสริญก็อย่าไปเพลิดเพลินกับมันมากแต่พอเจอสิ่งตรงข้ามเนี่ ย, เ, ยเสื่อมลาบเสื่อมยศเจอทุกเจอคํานินทาหรือว่าเจอรูปรถกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็อย่ามัวแต่ทุกนะให้หาประโยชน์จากมันถ้ามองเป็นก็เห็นสุขได้นะ คนธรรมดาเนี่ยนะเดี๋ยวพราอย่างหนุ่มสาวนี่ท่านก็สอนนะให้เราลึกถึงมรณสติหรือให้เจริญมรณะสติอยู่เสมอให้เราลึกถึงความตายมันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้ไม่ไปเพลิดเพลินในความสุขจากสิ่งเสษแต่น่าสังเกตนะคนที่ใกล้ตายเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ เมื่อพระองค์จะเสด็จเป็นนํนทางเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายที่จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นนะแทนที่พระองค์จะน้อมนำให้คนเหล่านี้เจริญร้อนัสตินะพระองค์กับส่วนใหญ่นะก็น้อมให้เราลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนั่นคือน้อมใจให้เราลึกถึงพระรัตนตรัย ที่ตัวเงศรัทธาหรือน้อมใจให้ศรัท ธ, ธาในพระตนตรัยหรือว่าน้อมรวมทั้งน้อมใจให้ระลึกถึงศีลที่ได้บําเพ็ญหรือความดีที่ได้ทําเพื่ออะไรนะเพื่อจิตใจเป็นกุศลอาคนเวลาใกล้าตายนี่ก็อาจจะมีความวิตกมีความกังวลมีความทุกข์อะพูดง่ายๆในยามนั้นเนี่ยการพูด กสเรื่องมรณสติเนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์บางคนรู้สึกทุกข์หนักขึ้นนะพระองค์กลับสอนให้เราลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่ทําให้จิตใจเกิดปิติปราโมทเกิดอิม่มเอิบนึกถึงสิ่งที่ดวงศรัทธาก็ทําให้เกิดปราโมทนะปราโมททาให้เกิดปิติปิติทําให้เกิดปัสสติปัสสติทำให้เกิดสุขตามมาพอเราลึกถึงสิ่งที่ ศรัทธาเนี่ยหรือเกิดศรัทธาในสิ่งใดงก็เกิดสุขตามมารวนทั้งเราลึกถึงความดีที่ได้ทําสิ่งที่ได้บําเพ็ญโดยเพราะอริยกันตศีลหมายถึงศีลที่ภรอริยเจ้าสรรเสริญหรือศีลที่ทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้คิดอยากได้อยากเอาแต่มุ่งประโยชน์ของผู้อื่นหรือมุ่ ง, งการลดกันละอันนี้เลยเป็น สี่งที่พระอริยเจ้าสรรเสริญหรือสิ่ที่เกิดจากเจ ต, ตนาบริสุทธิ์ไม่ไดไม่เกิดจากความโลภอยากได้อยากมีอยากเอานี่พอระลึกถึงความดีธรรมจิตใจก็อิ่มเอิบเกิดปราโมทเกิดปิติแล้วเกิดสุขตามมาแล้วกับคนที่สุขสบายดีนะท่านก็เตือนให้ระลึกถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้น ในภายภาคหน้าแต่คนที่ทุกอยู่แล้วนี่นะท่านก็ น, ะนอนใจให้เกิดสุขหรือเกิดกุศลขึ้นมาอันนี้เราจะเห็นได้นะว่าคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจ ะ, จะเบี่ยงแหา่แต่จุดมุ่งหมายนี่ก็เพื่อทำให้ ไม่หลงเพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกนะเวลาถ้าเกิดหลงเพลินในสุขก็ให้เตือนใจไว้ว่ามันมีสุขรออยู่ข้างหน้านะหรือสุขที่กำลังอยู่กับเราในครุณขณะอยู่แล้วนะความตายมีอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวนะโรคอยู่ในความไม่มีโรคเนี่ยนะพอได้ฟังนี้แล้ว อ่ะเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่เพลินในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในการที่คนมีสุขภาพดีหรือแค่เพียงมีชีวิตแต่ถ้าเกิดทุกเนี่ยน ะ, ะท่านก็จะสอนไม่ให้จมอยู่ในทุกให้รู้ว่าเนี่ยมันมีสุขอยู่นะมองให้เห็นหมองให้เป็นก็จะเห็นสุขหรือบางทีท่านก็สอนว่า่ยเอมันก็ไม่จีรังในทุกอ่ะ อย่าไปตี อ, อกชกหัวมากมันไม่จรลังหรอกนะซักวันมันก็จะผ่านไปพอเรารับรู้เช่นนี้เนี่ยก็ทำใหมีความหวังนะมันจะไม่ปล่อยใจจมอยู่ในความทุกข์แต่เชื่อว่าทุกข์นี้มันก็จะผ่านไปหรือ บ, บางครั้งท่งานก็สอนว่าเนี่ยความทุกข์มีแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกขนะ์เนี่ย คำสอนนี่มันก็ช่วยให้คนที่มีความทุกข์นี่รู้สึกกระเตืออนขึ้นมานะถ้าเข้าใจนี่นะมันจะออกจากทุกข์ได้เลยมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะไอ้ที่บ่นววยวายว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันทุกข์นี่ไม่จริงมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะ พอเห็นเช่นนี้เนี่ยหรือระลึกได้เนี่ยอมันก็หลุดจากทุกข์กได้จะเรียกว่ากลับมาเป็นสุขก็ได้แต่พอสุขเกิดขึ้นท่านก็สอนอย่างนี้นว่าเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขนะเช่นเดียวกันทุกข์ก็เห็นมันนะอย่าเข้าไปเป็น หรือว่ามีทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ทุกข์เอาไว้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้อันนี้เป็นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะคำสอนอุตยานี่จะเน้นให้คนเราเนี่ยมีความคิดมีท่าทีที่เป็นกลางกลางหรือว่าทางสายกลางเพราะธรรมดาคนเราเนี่ยมันชอบเวียงไปในทางสุดตรง เพลินในสุขหรือไม่เช่นนั้นก็จมในทุกข์แต่คาสอนของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนที่มีความสุขหรือมีความปกติท่านก็สอนไม่ให้เพลินในสุขให้รั่วให้มันทุกข์นะเราทั้งหลายผู้ถูกความทุกข์อย่างอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วส่วนคนที่จมอยู่ในทุกข์ก็ท่านก็สอนนะให้อย่าไปจมอยู่ในทุกข์ เพราะมันไม่จีรังในความทุกข์อะแล้วแล้มันก็จะผ่านไปเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีผู้ทุกข์นะมีแต่ความทุกข์อยู่ใหรู้จักหาประโยชน์จากทุกข์มองให้เป็นก็จะเห็นสุขนะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเนี่ยวความสอนวุฒิของพุทธเจา้าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แหละ จะคล้ายเป็นว่าทักท้วงไม่ให้ไม่ให้เวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งแต่ดึงกลับมาให้อยู่เป็นกลางกลางมมีคาสอนหนึ่งนะผู้เจ้าสอนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องความสะดวกสบายเนีเราก็จะได้ยินนะท่านสอนว่าให้รู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายมากเกินไปแต่ในงแง่หนึ่งนะ คบคู่บทั้งกสอนนะให้รู้จักหาความสบายให้กับตัวเองด้วยคาสอนที่ว่าเนี่ยอย่าอย่าไปหลงในความสะดวกสบายให้รู้จักประมาณในความสบายเนี่ยนะท่านก็สอนชาคนที่เพลิดเพลินในความสะดวกสบายให้รู้จักประมาณบ้างแต่ว่ามันก็มีคนมาพพวกแล้าที่ พอไม่เพิดเพลินในความสุขสบายรู้จักประมาณในความสบายแล้วบางทีมันกลายเป็นสุดโตรงไปอีกทางหนึ่งนะคือปฏิเสธความสบายไปเลยอันนี้พู้เจ้าก็สอนนะให้รู้จักหาความสบายให้กับตัวเองบ้างนะอันนี้อยู่ในธรรมะที่เรียกว่าอายุวัฒนธรรมคือธรรมที่ทำให้อายุยืนอจะยิงคาสอนครูบาอาจารย์หอของพระเจ้าที่บอกว่าอย่าไป ฟุมเฟือยฟุ่มฟุมเฟิร์มมาให้รู้จักสันโดษนะรู้จักสันโดษในเงินทองที่มีอย่าไปใช้ในการเสพสุขห ร, หรือหรือมัวแต่หาเงินหาทองนะเพื่อการเสพสุขปลนเพลตนให้รู้จักสันโดษนะแต่กับบางคนนี่ท่านสอนอีกอย่างหนึ่งนะให้รู้จักใช้ทรัพย์มั่ง รู้จักใช้ทรัพเลี้ยงตัวให้มีความสุขนะเพราะมันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะไม่ฟุ่มเฟือยนะแต่ว่ากลายเป็นตนหนีไปเลยอันนี้ก็สุดตรงอีกทางหนึ่งนะนั่นสองคนที่ตันหนีเนี่ยไม่ยอมใช้เงินเลยเอาแต่หาหรือเอาแต่เก็บท่านก็สอนว่าเออรู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุข ไม่ใช่เลี้ยงตัวอย่างเดียวนะเลี้ยงคนอื่นด้วยหรือว่าใช้เงินนั้นเพื่ อ, อการเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบำรุงสมณะชีพพรามเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็สอนคนตะหนีนะเพราะคนความตะหนีมันก็เป็นสุดโตรงอีกทางหนึ่งแต่บางทีคนเราไม่เข้าใจนะก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยพืาศาสนาีปฏิเสธเรื่อง ความสบายหรือปฏิเสธเรื่องการใช้เงินเลี้ยงตนให้มีความสุขอันนี้พอไปฟังคำสอนอีกแง่หนึ่งที่มุ่งสอนคนที่เอาแต่ใช้ทรัพย์เพื่อปนเปิดตนหรือว่าฟุ่มเฟือยซึ่งมีจำนวนมากนะแล้วก็มีจำนวนเนื้อที่ตรงข้ามนะซึ่งอันนั้นก็เป็นโทษเหมือนกันนะ คนที่เอาแต่ต น, นีคำสอนของพุทธเจ้าหรือในพุทธศาสนามันจะจะมีทั้งสองแง่นะในด้านหนึ่งก็ดึงคนที่สุดตรงไปในทางเสพสุขให้อ่าหรือเพลินในความสุขให้กลับมาระมัดระวังนะไม่หลงจมเพลินในความสุขบ้างในความสุขมาก คยประเภทหนึ่งจมในทุกข์มากนี่หรือว่าหมกมุ่นอยู่ในความทรมานตนทําตนให้ลําบากนี่ท่านก็ดึงมาให้มารู้จักหาความสบายให้แก่ตัวเองบ้างหรือรู้จักใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตนให้มีความสุขบ้างอันนี้เราก็สังเกตได้นะคําสอนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะเป็นลักษณะนี้นะอย่างคนที่ไม่ค่อยสนใจธรรมานี่ท่านก็สอนนะว่าให้รู้จัก อดกลั้นให้รู้จักข่มใจให้รู้จักควบคุมความคิดบ้างแต่สักคนที่หันมาสนใจนะที่จะฝึกตนควบคุมจิตนี่ท่านก็สอนนะว่าอย่าไปควบคุมมากอย่าไปบังคับจิตมาก mm hmm. เคยมีลูกศิษย์นะหลวงพ่อชาเป็นพระท่านถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยเวลานั่งสมาธิแล้วมันฟุง้งมันตื่นเมากภาวนางให้จิตสงบ ท่านบอกเลยนะมันตเตลเอก็ช่างมันเดี๋ยวมันคิดเกียดคิดกด็หยุดคิดไปเองอหลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจนะอ้าวไหนว่าสอนให้ควบคุมความคิดให้บังคับจิตให้รู้จักข่มใจทำไมหลวงพ่อช้าสอนให้ว่ามันตเตลเอ๋อก็ไปมันไปช่างมันอันนี้เพราะว่า สำหรับการควบคุมจิตเนี่ยในท่านก็สอนกับคนที่ชอบปล่อยใจฟุ้งใจลอยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนส่วนใหญ่นั่นแหละที่ไม่เคยได้สนใจธรรมะให้รู้จักข่มใจบ้างรู้จักบังคับจิตบ้างแต่ส่วคนที่มาปฏิบัติธรรมคนที่สนใจเรื่องการบังคับจิตนี่จำนวนไม่น้อยเนี่ยมันก็จะเวียงไปอีกทางนึงนะคือบังคับจิตแบบให้กระดิกเลย ถ้าพอทำไม่ได้ก็ทุกข์หรือไม่ก็ท้อหรือไม่ก็เครียดนะอันนี้ก็สุดตรงอีกทางหนึ่งท่านก็เลยสอนว่าอย่าไปบังคับมันมันเติร์ก็ช่างมันนะคสอนนี้ท่านสอนกับคนที่ชอบบังคับจิตนะไม่ใช่คนทั่วไปที่ชอบปล่อยใจลอยฟุ้งซ่านะไอ้แบบนั้นนี่ต้องนะต้องรู้จักตึงบ้งแต่คนที่ตึงหนักๆ น, น, นี่ต้องรู้จั ก, จกผ่อนะ ทำหนาเดียวกันนะเาที่คำสอนครูบาจาบอกเนี่ยให้รู้จักนะอย่าส่งจิตออกนอกนะให้หันมาดูใจอยู่บ่อยๆแต่บางทีท่านก็สอนให้ส่งจิตออกนอกบ้างนะโดยเฉพาะคนที่หันมาดูใจแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นเพ่งไปเลยติดเพ่งไปเลยจิตเพ่งจนเพี้ยนจนตัวแข็ง บางทียกมือสร้างจังหวะก็มือก็ติดที่หน้าอกเนี่ยหรือบางคนก็มีอาการที่เรียกวิปัสสนูนะใจจริงไม่ใช่แต่ว่าพูดง่ายคือเพี้ยนหรือว่าบางทีก็แล้วทั้งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่ซึมเศร้าเนี่ยต้องก็สอนนะให้รู้จักส่งจิตออกนอกบ้างอย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยนนท่านเคยชวนนะโยมที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยที่ จิตเริ่มจะเพียนนะให้รู้จักออกมาสังเกตนกต้นไม้ธรรมชาตินะท่านชวนนะชวนชมนกชมไม้อันนี้อะไรท่านถามนั่นอะไรท่านถามเพื่ออะไรเพื่อดึงจิตนะออกมาจากการเพ่งเข้าในจากการที่ไปจมอยู่กับความทุกข์หรือว่าความ เรื่องราในอดีแต่หัวหลังเนี่ยเก็เลยหลุดเข้าไปในอารมณ์อันนี้ก็เป็นการดึงนะให้จิตออกมาเป็นกลางกลางลเวลาจิตมันเพ่งก็ดึงเข้ามาข้างในเวลาจิตมันเพ่งเข้าในก็รู้จักต้องดึงออกมาข้างนอกบ้งให้เป็นกลางกลางั้นถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเราก็จะนำคำสอนของพระเจ้าหรือของครูบาอาจารย์เนี่ยมามาใช้กับตัวเองเพื่อปรับปรับ ท่าทีปรับทัศนคติปรับการปฏิบัติให้เป็นกลางๆพอเป็นงั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเวียงไปทางตรงข้ามก็เป็นสุดตรงจากเพลินในสุขก็กลายเป็นจมในทุกหรือทรมานตนไปเลยอันนี้ต้องอต้องระมัดระวังด้วยแล้วถ้าเข้าใจถูกเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้เกิดผลดีชาตินี้ก็พระท่านนี้นะ